<sorta> เหมือนอย่างมีหมอหมอคนหนึ่งเนี่ยขับรถไปกับลูกชายเกิดอุบัติเหตุหมอตายลูกชายเจ็บหนักมูลนิธิเมืองไทยจะมีมูนิธินะอะไรตายเจตายเก็บเจ็บสงให็นไหมตายเก็บเจ็บสง อันนี้มีทั้งตายมีทั้งเจ็บหมอตายลูกชายเจ็บไอ้เจ็บนี่ส่งส่งโรงพยาบาลก็วอมาเลยแล้วก็วอมาวอกวอด้วยนะวอคือเสียงไซเรนนะวอก็วอบอกให้ทางโรงพยาบาลเตรียมห้องฉุกเฉินเตรียมห้องฉุกเฉินก็เตรียมทั้งหมอเตรียงทั้งพยาบาลหมอก็มาดูอ้าวลูกฉันนี่ โยมเข้าใจไหมงงไหมเรื่องนี้เรื่องจริงหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมอา้าหมอที่ตายกับหมอที่อยู่นี่มันตกลงลูกใครตกลงไอ้คนเจ็บในลูกใครนะลูกหมอคนไหนฮะหมอที่โรงพยาบาลอะไรที่หมอที่ตายอะเรามีสัญญาอย่างหนึ่งว่าถ้าหมอต้องเป็นผู้ชายใช่ไหม เห็นไหมนี่ถูกสัญญาหลอกอีกแล้วใช่ไหมจําเป็นไหมว่าต้องหมอทุกเมื่ผู้ชายหมอผู้หญิงเยอะไปใช่ไหมหมอที่ตายอาจจะเป็นผู้หญิงหรืออาจหมอที่อยู่ห้องฉุกเฉินอาจจะเป็นผู้หญิงหมอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ต้องเลือกเอานะไม่ใช่ผู้หญิงทั้งคู่ไม่ใช่ผู้ชายทั้งคู่นะหมอที่ตายจะเป็นผู้ชายแล้วหมอที่ห้องฉุกเฉินเป็นผู้หญิงก็ได้หรือหมอที่ตายเป็นผู้หญิงแล้วหมอที่ห้องฉุกเฉินเป็นผู้ชายก็ได้ นี่คือสัญญาหลอกสัญญาคือหมายรู้เพราะฉะนั้นมารู้เรื่องสัญญาที่มันหลอกอย่างนี้แล้วอย่าเพิ่งตัดสินผู้อื่นอย่าเพิ่งตัดสินผู้อื่นมีคนมากระซิบบอกอย่างนี้ว่าเนี่ยทางเนี้ยไม่ดีเลยอย่างนี้อย่างนี้งี้เรารู้สึกไงใช่มันไม่ดีโดยปกติล้วจะเป็นอย่างนี้ใช่ ใช่มันไม่ดีถูกหลอกสัญญาเก็บไปแล้วว่าไอ้คนนี้ไม่ดีแล้วเราก็หลอกตัวเองด้วยถูกก็หลอกด้วยแล้วเราก็หลอกตัวเองต่อถ้าเราไปขยายต่อไปหลอกคนอื่นต่อยังไม่รู้เลยว่าเขาดีหรือไม่ดีแต่ที่เกิดแน่ๆเกิดอกุศลแล้วในใจเกิดโทสะเกิดความเกลียดนี่เป็นอกุศลรู้ทันอกุศลที่เกิดขึ้นในใจ อย่าให้สัญญามาหลอกเราเข้าใจไหมพอได้ประโยชน์บ right? ้างไหมเขาซุบซิบ <Ale> น <aya> ินทาหรือเปิดอกเปิดใจรายการเปิดใจเปิดใจฝ่ายเดียวใช่ไหมเปิดใจในเปิดใจฝ่ายเดียวเปิดใจสองฝ่ายทะเลาะกันในรายการเปิดใจฝ่ายเดียวเปิดได้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ไม่ไม่มีโอกาสจะให้ข้อมูลเราก็เชื่อไปแล้วกับไอ้พวกเปิดใจ แค่รับฟังข้อมูลแล้วแขวนไว้ก่อนแขวนไว้ก่อนว่าคนนี้เขาว่าอย่างงี้แขนวนก่อนยังไม่ต้องเชื่อยังไม่ต้องเชื่อนะจนกว่าจะไ ด, ได้รับข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็แขวนไว้ทั้งคู่มันอาจจะเป็นแบบลาโชมอนก็ได้เคยได้ยินเรื่องลาโชมอนไหมทุกคนให้ข้อมูลเท่าที่ตัวเองจะอยากให้เหมือนไอ้ปืดไอ้ปืดเนี่ยทำวายปวงหมดเลยนะ รอจนนกตายจึงกล้าโทรศัพท์มาหาใช่ัหมความผิดใหญ่หลวงมากนะเวลาจะรายงานความผิดนายครับนกแก้วตายเอาเรื่องเล็กๆมาบอกเท่านั้นเองแต่นายถามก็เลยต้องค่อยๆขยายอ๋อมาตายด้วยครับแล้วนกแก้วไปกินมา้าก็ค่อยๆบอกแค่นี้นะอ้าวทำไมม้าตายเลยต้องจำเป็นต้องบอกว่าม้าตายเพราะไปลากรถน้า ทำไมต้องลักล่นน้ำเพราะบ้านไฟไหม้ทำไมบ้านไฟไหม้เพราะนายหญิงตายทําศพนายหญิง <c oughs> <c oughs> แต่เรื่องไม่ได้บอกว่าไมคก๊อผหักหรือเปล่า <c oughs> เลยไม่ทราบว่าไอ้เปิดยังมีชีวิตยอยู่ไหม <c oughs> <c oughs> คนเราจะมีปกติที่จะคอยบิดเบือนข้อมูลหรือว่าถ้าจะเปิดก็เปิดเท่าที่จาเป็นเปิดเท่าที่จะมีประโยชน์สาหรับตัวเองเท่านั้นเองบางครั้งถ้าแย่เลยก็คือบิดเบือนข้อมูล เพื่อประโยชน์ตนะ น, นั้นเวลาเราฟังอะไรจากสื่อสารมวลชนหรือแม้จะฟังจากปากเองก็ตามนะฟังแล้วเกิดสัญญาอะไรหมายรู้อะไรแขวนเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อแต่ใจเกิดอะไรขึ้นให้รู้ทันใจตุมตุ้มตุม ต, มตุมแล้วเนี่ยเกิดความสันสะเทือนในใจให้รู้ทันจิตที่มันผิดปกติออกไปฟังแล้วโกรธรู้ทันความโกรธ ฟังแล้วปลืม้มรู้ทันความปลืม้มรู้ทันราคะที่เกิดขึ้นเขาอาจจะไม่ดีอย่างที่บุกอย่างที่พูดก็ได้คนนั้นอาจจะไม่เร็วอย่างที่เขาบอกก็ได้แต่เรานเนี่ยเร็วแล้วให้รู้ทันมีความกโกรธแล้วมีความมีราคะเกิดก็ก็เป็นกิเลสแล้วนะก็แย่แล้วนะก็ต้องดูราคะที่เกิดขึ้นดูโทสะที่เกิดขึ้นฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยเหมอดูโมหะที่เกิดขึ้น สัญญาเนี่ยเรียนไปเพื่อไม่เชื่อมันอย่าเพิ่งเชื่อมันนะไม่หลงกลมัน <Okay. S 1> ถ้าจะเรียนสัญญานะให้เรียนถึงขั้นว่ายังไม่เชื่อมันเพราะสัญญาหลอกลวงสัญญาจะเริ่มเรียนได้ต้องผ่านขั้นตอนการฝึกมาบ้างแล้วอย่างเช่นที่หลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูนเนี่ยเรียนธรรมมาพอเข้าใจแล้วหลวงปู่มั่นจึงให้เรียนสัญญา สัพพสัญญาอนิจจานะสัพเพสังขาราสัพพะสัญญาอนิจจาเห็นเลยว่ามันไม่เทียงเข้าใจไหม